รวมคำถามตอบเกี่ยวกับอาณาปานสติการทำสมาธิรู้ลมหายใจถ้ายังฝืนรู้ลมหายใจอย่างนั้นยังไม่ใช่อาณาปานสติท้ายที่สุดเราจะอัดอั้นวกวนอยู่กับตัวเราผู้หายใจไม่ถูกร่้มไปถามการทำอาณาปานสติทําแบบไหนได้แต่สมถะสมาธิอย่างเดียว ละทำแบบไหนถึงจะเป็นวิปัสนาตอบแบบที่จ้องลมหายใจท่าเดียวเป็นสมถะแบบที่สังเกตความไม่เที่ยงไปด้วยเป็นวิปัสนาคือเห็นว่าเข้าแล้วออกเดี๋ยวก็ยาวเดี๋ยวก็สั้นกระทั่งจิตเป็นผู้รู้กองลมถามวิปัสสนานี้ คือจะต้องดูต้องเห็นไปเรื่อยๆจนเกิดปัญญาหรือว่าเราจะต้องคิดด้วยว่ามันไม่เที่ยงให้ปล่อยวางตอบขั้นต้นคิดกำกับไปด้วยจิตจะได้มีทิฏฐานในการดูการรับรู้แต่เมื่อกำลังของสมาธิดีขึ้นตามลำดับจิตจะตั้งมั่นอ่อนควรไม่คิดอีก ตัวรู้นี้เป็นตัวอะไรกันแน่เป็นจิตที่สังเกตทุกอย่างที่เข้ามากระทบร่างกายและจิตใช่ไหมตอนนี้มีตัวรู้ซ้อนตัวรู้อีกตอบตัวรู้คือจิตแต่เป็นจิตที่มีสติรู้กายใจและมีสมาธิคงที่ระยะหนึ่งอย่างน้อยนานพอจะเห็นความต่างไปของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่น ลมหายใจต่างไปอริยาบทต่างไปสุขทุกต่างไปเรื่องรู้ซ้อนรู้ถ้ามันคงที่อยู่ในสองรู้สามรู้ก็วางใจเฉยๆไว้ครับบอกตัวเองว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆคือเห็นว่ามีสิ่งหนึ่งแสดงมีสิ่งหนึ่งรู้มีสิ่งหนึ่งแปรไปให้ดูแต่ถ้ารู้ซ้อนรู้แป๊บๆไม่ได้อยู่อย่างนั้นนาน ก็อย่าไปสงสัยอย่าไปะวงจะไล่หรือให้กลับมาแค่พิจารนาว่ารู้สอนรู้ก็ภาวะรุงแต่งจิตแบบหนึ่งมีเหตุปัจจัยก็เกิดหมดเหตุปัจจัยก็ดับตรงนั้นจะได้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งคือเฉยเฉยกับการรู้แบบต่างๆเรารู้สึกว่าก็แค่จิตแบบหนึ่งทั้งนั้นไม่ใช่ตัวเราจริงๆทั้งนั้น เดี๋ยวก็หายไปทั้งนั้นดูลมหายใจแล้วรู้สึกบังคับหรืออดอดัดถามบางครั้งพอรู้ว่าจิตกำลังฟุ้งซ่านใจก็สงบแว บ, บหนึ่งแต่พอทำไปบ่อยครั้งกลับรู้สึกอึดอดัดเป็นเพราะเราไม่ได้รู้จริงๆใช่ไหมตอบ ครั้งแรกๆรู้ได้ดีครั้งต่อๆมากลายเป็นตั้งใจรู้ให้ดีเหมือนเดิมครับถามบ่อยครั้งที่ลืมลมหายใจของตนเองเมื่อรู้สึกตัวก็เหมือนเราบังคับมันอยากรู้โดยเป็นธรรมชาติตอบให้สังเกตความรู้สึกไปด้วยครับว่าไม่เที่ยงบางลมหายใจอืดอัด บางลมหายใจสบายดูอย่างนี้จะไม่กังวลจะเอาความสบายซึ่งเป็นเหตุให้อึดอัดสังเกตไปว่าเมื่อไรเรารู้สึกถึงลมหายใจได้อย่างสบายใจจะตั้งมั่นสบายไปด้วยแต่เผลอนิดเดียวมันจะยู่ยี่ใหม่ดูความไม่เที่ยงตรงนี้ถามตอนนั่งสมาธิดูลมหายใจ มากอึดอัดแน่นๆหนักๆที่กลางอกพยายามดูความแน่นๆที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่หายควรแก้ยังไงตอบใช้เวลาสักห้านาทีดูว่าแต่ละลมหายใจความอึดอัดในอกมันเปลี่ยนระดับไปบ่อยแค่ไหนหรือไม่เปลี่ยนเลยสังเกตเท่านี้ครับถาม เคยฝึกจับลมที่ปลายจมูกบางครั้งรู้สึกว่าเพ่งจนรู้สึกตึงที่สันจมูกและอืดหนัดไม่เป็นธรรมชาติตอบพระพุทธเจ้าท่านสอนให้มีสติรู้ว่ากำลังหายใจออกหรือหายใจเข้าซึ่งถ้าทำไปธรมธรมดาธรรมดาจิตจะไม่เพ่งเหลงคับแคบแต่พอตั้งใจว่าจะจับที่จุดใดจุดหนึ่งคนทั่วไปจะเพ่งเหลงลงไปณจุดคับแคบทันที ทางที่ดีลองรีเซตมุมมองใหม่หมดเลยครับสังเกตง่ายๆก็ได้หายใจครั้งนี้มือเท้าเกร็งหรือคลายสังเกตไปเรื่อยๆจะเข้าใจเองว่าจิตเปิดกว้างรับรู้สบายๆเป็นอย่างไรจิตคับแคบจอรู้อึดอัดเป็นแบบไหนทั้งสองต่างกันอย่างไร สติหลุดไหลไปกับสิ่งกระทบได้ง่ายถามระหว่างทำงานใจมักไหลไปคิดไหลไปกับจอคอมเวลานั่งสมาธิก็ไหลไปคิดเรื่องงานที่ยังต้องทำอย่างต่อเนื่องแก้ได้อย่างไรตอบตั้งใจทำงานให้เต็มที่อย่าทำงานไปมองดูจิตไป พอจดจ่อทำงานจนเกิดสมาธิแล้วค่อยถามตัวเองว่าตอนนี้ฟุ้งมากหรือฟุ้งน้อยสงบดีหรือสงบเฉยเๆยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ามีสติรู้งานจริงพร้อมจะรู้จิตได้จริงจากนั้นเมื่อ น, นั่งสมาธิก็จะรู้จักแยกแยะได้สนใจอารมณ์เดียวตรงหน้าได้ถาม พยายามกำหนดให้รู้ทันสภาพจิตคิดว่าเราเอาอยู่ว่างๆโปร่งๆแต่พอมีสิ่งกระทบแป๊บเดียวก็หลุดทำยังไงดีตอบต้องทำความเข้าใจให้ถูกครับว่าจิตโปร่งว่างเป็นของชั่วเราเมื่อถูกภาษากระทบย่อมทึบตันหรืออย่างน้อยขุนมัวเป็นธรรมดาหน้าที่ของนักเจริญสติคือเห็นว่ามันไม่เที่ยง เป็นไปตามปัจจัยไม่ใช่คาดหวังว่ามันจะโปร่งว่างได้ตลอดไปนี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิหรือความเข้าใจที่ถูกต้องจะเป็นตัวกำหนดทีเดียวว่าการเจริญสติของเราจะผิดทางสะดุดเสียเวลาแค่ไหนถ้าเข้าใจถูกก็มีแต่จะคืบหน้าไปเรื่อยๆทุกวันแต่ถ้าเข้าใจผิดก็เสียเวลาหลงทางได้ทุกวันเช่นกัน